มงคลทีปนีภาคที่หนึ่งปนาคคาถาคาถาแสดงความนอบน้อมข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปรากฏว่าเป็นมงคลของเทพพ ย, ยดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการมงคลเป็นผู้แสดงอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นมงคล พระธรรมใดปรากฏว่าเป็นมงคลของเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการมงคล่องอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นมงคลพระสงฆ์ใดปรากฏว่าเป็นมงคลของเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการมงคล เป็นผู้กระทาอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นผู้เป็นมงคลข้าพเจ้าได้กระทาความนอบน้อมดีแล้วแต่พระรัตนตรัยอันเป็นมงคลอย่างนี้ด้วยประการชนิด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นข้าพเจ้า เป็นผู้ยังอันตรายให้พินาศได้แล้วจากเลือกสรรถือเอาอัดอันเป็นสาระในคำพีต่างๆนั้นแล้วแสดงอัดแห่งพระสูตรที่แสดงมงคลอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลทรงแสดงไว้ดีแล้วปรากฏโดยนามว่ามงคลสูตรมีอาชยายิ่งนักและพระสูตร ที่ใครๆกล่าวไว้แล้วเป็นมงคลแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีอาชญาแผ่ไปในแสนโกดจั ก, กรวาลขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังอัดแห่งมงคลลสูตรนั้นเทิน